ข้อที่ห0สิบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสัพพิเรวะแปลว่ากับพวกบัณฑิตคือพวกสัตว์บรุษเท่านั้นระอักษรทำการเชื่อมบทบทว่าสมาสถธแปลว่าพึงนั่งร่วมก็คำนั้นเป็นหัวข้อเทศนาเท่านั้นอธิบายว่า พึงสำเร็จอิริยาบถ ท, ทั้งปวงร่วมกับสัพรพหลุดทั้งหลายเท่านั้นบทว่ากุเพธะแปลว่าพึงทํำบทว่าสันทวังคือความสนิทสนมโดยฐานามิตรแท้จริงความสนิทสนมโดยฐานามิตรบุคคลควรทํากับพระพุทธเจ้าพระปเจกพุทธเจ้าและพระสาวกส่วนความสนิทสนมด้วยอํานาจตันหา บุคคลไม่ควรทํากับใครๆบทว่าสตังได้แก่ของสัตว์บุตรทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสัทธมังได้แก่สัทธรรมอันต่างโดยศีลห้าสิน 5, สิบและสติปัฏฐานสี่เป็นอาทิส่วนในที่นี้เทพบุตรทั้งหลายไม่เอาศีลห้าบทว่าอัญญายะได้แก่ เพราะรู้คือเพราะเหตุแห่งความรู้ความเจริญชื่อว่าเสยโยความว่าไม่มีความเลวสามอะไรๆพึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่สองผมไ็เปิดดังต่อไปนี้งเล็้ปิดบทว่านานจะโตความว่ายอมไม่ได้ปัญญาจากบุคคลอื่นคือจากคนอันธพาลจริงอย่างนั้น ธรรมดาปัญญาอันใครๆย่ำไม่ได้จากคนอันธพาลดุดใครๆไม่ได้วัตถุมีน้ำมันเป็นอาทิจากทรายเป็นต้นบุคคลรู้ธรรมของสัตปรุษทั้งหลายครบบัณฑิตเท่านั้นจึงได้เหมือนบุคคลได้วัตถุมีน้ำมันเป็นอาทิจากงาเป็นต้นฉะนั้น